สิกขาบทที่8ปพิกษุนีกล่าวกับสิกขมานาว่าแม่คุณถ้าเธอจะติดตามเราตลอดสองปีเราก็จะบวชให้เธอแล้วไม่บวชให้ไม่ขวนขวายใช้ให้บวชให้ต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตปาจิตตี